ธรรมบทแปลเรื่องที่195เรื่องภิกษุฉัพพัคคีก็ขอความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปราพภิกษุฉัพพัคคีรัิประธรรมเทศนานีวา่นานะเตนะปันดิโตโหติเป็นต้นตอนภิกษุฉัพพัคคี ทำโรงพัดให้อากูลได้ยินว่าภิกษุเหล่านั้นเที่ยวทําโรงพัดให้อากูลในวัดบ้างในบ้านบ้างครั้นวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายท้าภิกษุหนุ่มและสามเณรผู้ทําพัฒกิจในบ้านแล้วมาว่าท่านผู้มีอายุโรงพัดเป็นเช่นไรภิกษุหนุ่มและสามเณรตอบว่า อย่าถามเลยขอรับพวกภิกษุชาว พ, พคัคีกล่าวว่าพวกเราแหละเป็นผู้ฉลาดพวกเราเป็นบัณฑิตจากประหารภิกษุเหล่านี้โปรยอยากเยื่อที่ศีรษะแล้วน้่ออกไปแล้วจับหลังพวกกระผมโปรยอยากเยื่ออยู่ทำโรงพัดให้อากลภิกษุทั้งหลายไปสู่สำนักพระศาสดาแล้วระับทูลความนั้น ตอนลักษณะบัณฑิตและไม่ใช่บัณฑิตพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกคนที่พูดมากเบียดเบียนผู้อื่นว่าเป็นบัณฑิตแต่เราเรียกคนที่มีความเกษมไม่มีเวรไม่มีภัยเลยว่าเป็นบัณฑิตดังนี้แล้วตรัสประกาถานี้ว่าณนะเตนะปันดิโตโหติ ยาวตาบหุภาสติเคมีอเวรีอภโยปันดิตติปวุจติบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุเพียงพูดมากส่วนผู้มีความเกษมไม่มีเวรไม่มีภัยเรากล่าวว่าเป็นบัณฑิตตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่า ยาวตาเป็นต้นความว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะเหตุที่พูดมากในถ้ำกลางสงเป็นต้นส่วนบุคคลใดตนเองเป็นคนมีความเกษมชื่อว่าไม่มีเวรพราะเวรห้าไม่มีผู้ไม่มีภัยคือภัยย่อมไม่มีแก่มหาชนเพราะอาศัยบุคคลนั้นผู้นั้นชื่อว่าเป็นบัณฑิตดังนี้แล ในการจบเทศนาชนเบนน้นมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องภิกษุฉับ พ, พัคี